เสียสละจงกระทั่งเหมือนกับว่าโลกวันไหวไปเลยมันเหนียวแน่นขนาดไหนที่เล็กเลยเหมือนกับโลกธาตุวันไห ว, เ, ห ว, ไหวเวลาเสด็จออกไปทรงผนวดแล้วมีใครที่จะมีความสามารถอาหารมีความภาคเพลินความอดความทนดังประพูทธ่ายจาเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเกิดขึ้นมาจากทุกเนี่ยทุกมุมแห่งความดีทั้งหลายที่จะเป็นตัวอย่างแจกโลกได้เป็นอย่างดียิ่ง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 ร่างฐานร่างฐานร่างฐานของเรานี้มีความจําเป็นมีตลอดเวลาอยู่เฉยเฉยไม่ได้มีเครื่องนุ่งเครื่องหม่มปกปิดจักรวรรกายมีที่อยู่ที่อาศัยมีปัจจัยเครื่องสนับสนุนอาหารการบริโภคเต็มไปหมดยูจะไม่กําหนดกดเจนว่ามีมากเพียงไรมนุษย์นี่มันเป็นอย่างนั้นสัตว์ก็ไม่มก็มีอะไรล่ะผ้านุ่งผ้าห่มเขาก็มีที่นอนหมอนมุ้งเขาก็จะมียุยาแก้ไขเขาก็จะมี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 คือมานั่งอยู่บนกองเงินกองทองก็จะไปร้องห่มร้องไห้เกิดความทุกข์ร้อนวุ่นวายและสำลักษาอยู่บนกองเงินกองทองนั่นแหละเพราะตัวนี้เป็นตัวโรคอันสาคัญจึงต้องแก้ลงที่ตรงนี้อืความโลภความโกรธความหลงแต่ละชนิดทงนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นี้เป็นโรคอันสําคัญที่เกาะอยู่ภายในจิตใจแล้วเอาจิตใจมาเป็นอาหารหุดลืดจิตใจอยู่นั้นวันนั่งค่าคืนยังลุ่งแต่จิตใจนี้ทนมากถึงได้ถูกทรมานด้วยกิเลสประเภทใดๆก็ตามก็ยัง